ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตาราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกือยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำนาจบงการดุพนายจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าทาาชั้นวันหน้าใด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 ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอตรงจิดตรงใจได้ชั่วรายกาลไม่ได้เลย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 กิเลกทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายพอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุเราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลาย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 เพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรนั้นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยักยั้งได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทําลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนมี่พร้อมมีสติขึ้นมายากยัย้ง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 เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับดอีเ่หรือแคนนี้สติจิตที่ได้สติมันข็ยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตหักจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปราปกฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับทาะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพียงพอเป็นสักิีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเมื่อยเมื่อยขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลําบาก ในการฝืนในการบังคับกิจไม่คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและพินเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้มีที่ตรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย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 เป็นนายกนางขอว่ไหว้คุณอย่างนั้นๆไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้ก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญถึกของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งๆังที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิตีฉินอินทชาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสุกโปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนท้งทางไปเจอสิ่งสุกโปรกเรายนังหลีให้ห่างกัน ไม่กล้าแม้จะฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกแล้วเราทำไมล้วชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนามาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจุด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 จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายแม้ทา ง, งอารมณ์ของใจใเสื่องประตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆเมื่อกข์ทกวนเจ้าของก็สลักได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่ อ, อไรก็เกิดประโยชน์เมองั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ทำทําลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั้นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บน่นเพราะอะไรต้องบน่นเพราะไม่อยากทุกแล้วมาอยากทุกไปคิดทําไมในะสิ่งที่ไม่เป็นสิงที่เป็นทุกแจะฝืนที่ทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเพราะเป็นอย่านั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์ มีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักษาสน า, า, สนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โรคท่าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนําเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุขเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบมโสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหผลอย่างนี้นดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่อง ส, าสาําคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันน่าจิตตัวเราเองก็มีความโลมเย็นเป็นจุกไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกเอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความท้าทุกขอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันถีงหมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดืดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวเองแล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิต ท, ที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่ที่รับความทุกข์ความประมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลํำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม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 กรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประเนีดเรียบซ้ำต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัจกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแต่ว่าการกระทํานี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายแต่พูดด้วยกายก็เรียกว่า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 ต้องเป็นกรรมวันยังทำและเป็นผลดีชั่ววันยังทำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากกรรมถึงเมื่อคนกลั ว, รวรเรื่องจุลศรจุลห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้นอยู่ภายในใจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญ น, นี่แหละบล่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ ให้ให้รู้สึกตั ว, ต, วตัวนี้ให้มีสติพินิจไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังคิดผิดขึ้นมาความผิดยาผิดหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในใจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเส้นตรงนี้ทําตามความเลือกเส้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยแกสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้น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 ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าเพื่อ น, นรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นสาระธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนหารธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิน่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการข้องหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้โลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังเรื่องมากของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิงนอนอนส่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินนานละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอ้ายสร้างเท่าไรมีเท่าไหรมขึ้นจาความดีแล้วไม่เฟอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงจริงมันเฟอคนดีมีมากเท่าไรกไ็ไม่ไม่มีเฟอร์ความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอไม่มีเฟอร์ดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงพัฒนใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยถึงไรอบอุ่นไปหมดนไม่มีคําว่าเฟอผิกกันครับสิ่งต่างๆที่ มีการเฟอร้อได้เช่นเงินเฟอ้อคนเฟอ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบื่อ ด, ดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอ้อจะหากรราคาไม่ได้แล้วข้งางหน้าต่อมากใครจะก้จะาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสําหรับตัวเองมีเท่าไหร่เมื่อไมีมากมายกลายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลกมากพอที่เดือดจัดหามันจเจริญขึ้นเดิมดับสิ่งที่มันจเจริญขึ้นเดิมดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกลายกองเมือนเต็มอยู่ทุกแห่งทุกผนซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กีเดือดัดหานาค้ามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้ว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 ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพักให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกรปรกโส ม, มลวงรุงแรงเข้าไปทับถมมาหมดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิต น, นี้มาจากที่ไหนมีแต่ของเพเฟอ้อเต็มจิตใจนําเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อทิยาที่แสดงออกมันก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรัออตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลคอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่คนมนุษย์เป็นผู้ทาให้เฟอ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้ยโสเป็นตรงนี้มนุษย์ เ, เป็น แล้วมันจะมีคนอื่นนราก็เฟอร์ถ้าที่ไหนมันไม่ดีสําหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอร์เหมือนกันนี่เราหลักธรรมกุเดธรรมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้อืให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์ดาวพยายามแก้ออกอ้าวย้อนขึ้นมาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟอร์ฮะแก้มันออกความขี้เกียร์ความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง ให้ความอุตสาห์พยายามเชื่อกบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่จะตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายอืเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั้นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวโบทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ ผูที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่ค่ะเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุฐานสลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดเป็นธรรมดาอืหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแย่กันนะ่ะนันต้องมีเป็นคู่เป็นคู่กัน สู้มาอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอยงว่าจิตถูกจองจําทําเวรยุ่งกันทั้งหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเจณฑไม่ได้สลับตัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกเพราะกลุ่มลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ขีดขึ้นมาเพื่แก้ตัวเองการแก้ตัเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนเพราะวิชาท่านเคยแก่อย่างนี้เราอะไรมาแก้ เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนั้ปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือจนจำสักทีเลยตายอยู่ในเดินจําดีแล้วหรออไงเรือนจำในถานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจากคือความมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะ อ, าอะไรมาแก้เทาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้เท่าความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนเล่งลงไปเอาตายก็าตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปจกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยงเราที่จะทําหลวงเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็าตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากรงนี้ชนะอันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะยี่เหลี่ยมตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ ยงกระทั่งชนะแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหนือนั่นเอกันจะเคมัตตานังสเวสัางงามัญชุตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายิน จ, จิใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นตังเ็กชนะสิ่งนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่กันไปให้มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนหนเดียวเท่านั้นตายตายเฉพาะหนเดียวที่อภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่ให้ตายอย่างี่เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หาจับจองป่าชาที่ไหนอีกอืแล้วเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าช้านี้มันควรจะเบื่อก็จะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นนหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์ มีแต่นักจองปราัพท์ทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรชัพท์ที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นปราัพท์มันมีด้วยกันทุกคนอมเราทำไมจะไปะขยันจองนะจองปรชาชัพท์มันเยอหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เสร็จไหล่ะตรงนี้จะเสรล่ะที่ตรงไหนอะไรไมาให้ทุกข์ให้ชาใจเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้นั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์กกในธานุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อ น, นต่างๆมันตเต็มอยู่ในธานในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู่ในอาการไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองถุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่น่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถูกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับอดับลงที่นี่น้ําสีน้นนนำธรรมดับลงที่นี่แล้วพอเย็นเย็นามากกว่าสบายหายโศกเศร้าเรื่อง ก, กัการที่การจับจองป่าช้างี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็ให้มีความสุขความสบายดาเนินตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจตังตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผกเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโกรธจิตใจให้เดือดร้อนนัก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยนำดับจนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทาโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่สาละการจยายามทำก็เห็นว่าสมควรเกี่ยบเวลาพอยุติเพีงนี้ <c oughs>